แต่รูปธรรมมีส่วนนี่ยไม่ใช่ไม่มีจะรูปธรรมเนี่ยเป็นอัพยาการธรรมเป็นอัพญญากาธรรมข้าวทัพทีนึงเนี่ยบางคนก็ได้สุขติพบใช่ไหมละ่ะบางคนให้ข้าวทั้งยุ้งจะ่ปุ้งจตงจิตไม่เป็นเนี่ยทำไงก็กลุ่มว่าเจตนาทานหมายถึงใจอโลพาทานหมายถึงใจอโทสาทานก็หมายถึงใจปัญญาทานทั้งหลายเหล่านี้ตัวกุศลทั้งหลายก็หมายถึงจิตใจทั้งนั้นแหละ แต่รูปธรรมเนี่ยที่ที่เมื่อจิตใจเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงมาประดับประดาตกแต่งในขณะที่ประดับประดาตกแต่งรูปธรรมทั้งหลายก็น้อมบูชาพระรัตนตรัยชัดเลยนี่เป็นอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าตรัสเขาไว้นะตรัสไว้พระพุทธเจ้าตราันะตรรตรสสรรเสริญผู้ที่มีศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัยมั่นคงไม่หวั่นไหวและเห็นแจ้งในยถ า, าสี่อันเป็นคุณสมบัติของพระโสดาบันว่า ยาจ่าสัพทาจัตถาเตอาจาราสุปฏิทิฏฐาสีลานจายากเลีานังอริยการตังปัสสังสิตังสังเคปาโทยาสตีอุโชภตันจัดสนะัง อาทาเรตโธติต ok ังอาหูอาโมขังตัสสะจีวิตังตัสสมาสัทธันเจศิรัญญาปัสสะังดัมมาทัสสนังอโนยุนเชตเมดาว n g ัง t h ทานาสาสนันติ พระเจ้าบอกว่าศรัท ธ, ธาความเชื่อมั่นของท่านผู้ใดตั้งมั่นแล้วในพระพธรรมคดไม่หวั่นไหวแม้เจออุปสรรคอันตรายใดๆก็ไม่หวั่นไหวตั้งมั่นดีศีลของผู้ใดงดงามเห็นไหมเข็นพระพุทาาธเจ้าศรัทธาในพระเจ้าดูที่ศีลดูที่ข้อปฏิบัติว่าถ้าตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในพระเจ้าแล้ว ท่านทั้งหลายเราทั้งหลายตั้งมั่นในภูสุลศีมั้ยภาริย์พอใจสารเสริญเห็นไหมภารย์เห็นกระแสะชีวิตของเราเนี่ยท่านพอใจได้สารเสริญตัวยกตัวอย่างเนาะมีภิกษุรูปหนึ่งท่านไปบปําเพ็ญสมณธรรมในถ้ำพอต่อมาท่านกำมาบินธบาีมีอุบาสกอุบาสิกา ซึ่งไม่ใช่ยากแต่นับถือท่านเป็นลูกชายก็เรียกว่าโยอมแม่โยมแม่แล้วก็โยมอุบาสิกามีลูกสาวพอวันลุ่งขึ้นอุบาสิกาเนี่ยซึ่งเป็นโยมแม่ที่อุปถัมภ์ก็บอกว่าลูกพรุ่งนี้พระพี่ชายของเจ้าเออเดี๋ยวพระพี่ชายของเจ้าจะมา เจ้าจงเตรียมข้าวอย่างดีอาหารที่มีรสเลิศดที่เหลือเขาไว้เป็นมื้อสุดท้ายเตรียมไว้อุปถาตเตรียมไว้ถวายหรืออังคาดพี่ชายครับเจ้าส่วนข้าวปลายเกียนน้ำต้มผักดองเจ้าจงกินลูกสาวถามแล้วแม่เลาจะกินที่ไหน บอกว่าแม่เก็บของเก่าค้างสต๊อกเมื่อวานนี้อาหารที่เหลือแม่จะเอาอันนั้นตายแลย้วไปฝาไปหาฟืนอย่าลืมนะลูกนะถ้าได้ยินกลับกลับไปในถ้ำก็พิจารณาว่าคนเช่นเราอุบาสิกาท่านนี้ไม่ใช่แม่ที่แท้จริงไม่ใช่ญาติ ไม่ใช่ไม่ใช่ญาินี้ใกล้ชิดใดๆเลยถามว่าท่านเขาเห็นอะไรในเราเนี่ยคนเช่นเราถ้าไม่สามารถทำอริยคุณให้เกิดขึ้นในกระแสะชีวิตได้เราก็ไม่สมควรที่จะบริโภคอาหารคนที่มีศรัทธาขนาดนี้เลยเดยเสร็จท่านก็วางบาตรไว้ซบกไว้ที่ปลายเตียงในถาำ ท่านก็ถ้าไม่ได้บรรลุคุณวิเศษก็อย่าลุกไปเลยท่านก็ระดมความเพียรอยู่นีน้เพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุธรรมที่ทแย้งซึ่งธรรมไม่ได้ที่จริงทั้งคืนนั้นท่านจะบรรลุพอบรรลุเบ็อเสร็จท่านก็ถือบาตรถือลายไปไปรับบาตรพอรับบาตรเบล็ตเสร็จอัล็เสร็จแล้วก็ฉันฉันอาหารก็กลับต่อมาแม่ออกจากป่ากลูก เจอพระของเจอพระที่ชายเจ้ามาลิยางออมาแล้วแม่อากัปกิริยาเป็นยังไงลูกแม่ผ่องใสมากอินทรีย์ผ่องใสมากแม่อากัปกิริยาสัมรวมระวังแล้วอินทรีย์ก็ผ่องใสมีใจที่ตั้งมั่นอุบาริกาสาธุสาธุสาธุ ลูกชายของเราถึงพระาชนะตรที่บริบูรณ์แล้วทําจิตในาศาสนาของพระชินเจ้าเสร็จแล้วเป็นบุญญาลาภของพวกเราแล้วนี่พระยญาติสรรเสริญท่านรู้ทันทีเลยไหมไม่ต้องไปดูเลยเนี่ยเนี่ยพระอริยะเนี่ยนอนเป็นพระรหลา์แล้วจึงมีความบริบูรณ์ผ่องใสอินทรียผ่องใสขนาดนั้นนี่ไงบอกว่าศรัทธาของท่านผู้ใดตั้งมั่นในตถาคต เศษของท่านผู้ใดดีและตรงภริยสารเส ร, ริญแค่ก็ดูเขารู้แล้วใช่ไหมละ่ะภริย์ท่ามองภริย์ด้วยกันท่านรู้ไหมผู้ดูชนมองผู้ดูชนด้วยกันรู้ไหมถ้าคนมีปัญญารู้ที่นั่งนั่งอยู่เนี้ยยังเป็นผุ้ดูชนอยู่เนี้ยดูรู้เลยไม่ยากเลยใช่ไหมละ่ะใช่ไหมเพราะผู้ดูชนเนี้ยอย่าไปทําอะไรให้โกรธนะเดี๋ยวไม่ได้โกรธขึ้นมาอาฆาตดิลําบากเลยเวลาเขาโกรธขึ้นมาก็ต้องนิ่งฟังอยู่นั่นแหละ ไปพูดสวนก็ไม่ได้อีกจะไปใหญ่เลยเดี๋ยวนี้ใช่ไหมล่ะแต่บางคนก็นิ่งแบบประเภทที่ไม่รู้จะเถียงอะไรนี่นะไม่รู้จะเถียงความเลื่อมใสของผู้ใดมีในประสงค์และความเห็นของผู้ใดตรงตรงนี้ถามทำอย่างไรถึงจะมั่นคงในพร a t h ะ n a ใจเราเลื่อมใสในพระเจ้าไหม เรื่อมใสในพระธรรมไหมเรื่อมใสเอะและความเห็นของเราตอนนี้ตรงหรื อ, อยังตรงต่อพระนิพพานตรงต่อคําสอนของพระพุทธเจ้าตรงต่อพระตรรมคตหรื อ, อยังถ้าศีลดีเรื่อมใสในพระัตนตรัยถูกและความเห็นตรงเป็นกรรมสกตาสมาธิที่ชัด แล้วก็กระตุ้นความคิดตรงนี้ประคับประคองความคิดนี้พัฒนาความคิดนี้ให้บริบูรณ์ยิ่งขึ้นไปก็จะเป็นผู้ที่มั่นคงในพระัฒนาใยกล้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่พระัฒนาตจกล้ายอมรับสิ่งที่เป็นพัฒนาใจทั้ทั้งๆ ท, ที่ตนเองยังเข้าไม่ถึงกล้าแบบนี้ไม่เล่าทีนี้ผู้รู้กล่าวว่าเขาผูนั้นเป็นผู้ไม่ยากจนถามว่า คนที่ทุสีนคนที่ไม่มีสีนเป็นคนยากจนหรือเป็นคนรวยคนมีสีนเป็นคนจนหรือคนรวยถ้ามีสีนเนี่ยรวยหรือจนตัวสีนเป็นทรัพย์อะไรอริยทรัพย์ฉะนั้นดูความรวยความจนดูตรงที่ว่ามีสีนหรือทุสีนทุศีสนแปลว่าไม่มีสีนจะดูมีสีนหรือไม่มีสีนดูตรงไหนดูตรงความเห็นมีสีนของเขาด้วย ว่าตรงไหมตรงต่อพระธรรมคตไหมเป็นศีลของใครอ่ะศีลนี้ทั้งหลายอย่างนี่ศีลของคนนอกศาสนาก็มีอ่ะศีลพระตถาปาราี่ยเป็นศีลมือนกางนั น, น, น่นนะเป็นการปฏิบัติผิดเนี่ยเป็นสำคัญว่าศีล น, นี้จะเป็นข้อปฏิบัติขัดเราทําให้ตนเองพ้นจากชูกดแล้วก็ปฏิบัติผิดๆไป น, นั่นนหะมีข้อปฏิบัติที่ผิดๆอันนั้นก็เป็นศีลของเขานะแต่มันไม่เป็นไปเพื่อตรงอ่ะ ฉะนั้นศรัทธาศียความเลื่อมใสและการเห็นธรรมผู้มีปัญญาพึงค้นควายเนืองๆเห็นไหมตอนนี้ศรัทธาตอนนี้ข้นควายศรัทธาเกิดหรือยังสรัทธากตาโพธิศรัทธาชัดไหมชัดไหมไม่ค่อยเสียงแรงศรัทธากตาโพธิศรัทธาเชื่อปัญญาการตรัสรู้ดีของปัยญาไหมกรรมศรัทธาเชื่อกำไหมวิปากัศรัทธาเชื่อผลของกรรมไหมกรรมสกตตาศรัทธาเชื่อ สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเชื่อไหมเชื่ อ, อยังไงคิเชื่อว่ากุศลกรรมให้ผลเป็นสุขหรือทุกข์สุขนะอกุศลกรรมให้ผลเป็นทุกข์หรือสุขแล้วยอมรับโดยโดยปัญญาหรือยอมรับแบบจํานวนว่เมื่อบาปให้ผลยอมรับแบบจํานนหรือยอมรับแบบมีปัญญา ยอมรับแบบจำนวนมันไม่น่าเกิดจากเราเลยไม่น่าเกิดจากเราเลยเห็นไหมละ่ะเช่นถ้ามีคนด่าเราเนี่ยจะยอมรับแบบจำนวนหรือยอมรับแบบมีปัญญาด่าตอบถ้าด่าตอบนี่เขาเรียกจำนวนไหมจำนวนมันจำนวนมันหาทางออกไม่ได้เลยต้องด่าตอบไงถ้ายอมรับแบบมีปัญญาเข้าใจเหตุและผลไหมเข้าใจเหตุและผลยืนให้เขาด่าไหม ไม่ใช่คนนี้ปัญญาไม่ใช่อย่างนั้นนะดูเหตุและผลไม่ใช่ไปเย็นเสนือน้าเชิญคุณด่ามาเถอะเชิญคุณด่ามาเถอะก็มีเหตุและผลเพิจารณาวาท่านบุญนี้จะบาปมากแค่ไหนเนาะทำปัจจุบันกรรมนี้ต่อไปจะไปเดือดร้อนในอนาคตอจะช่วยเหลือท่านบุญนี้อย่างไรถ้าช่วยได้ก็ช่วยถ้าช่วยไม่ได้ก็สักทั้งหลายมีกรรมเด็กของของโตนเขาจะด่าจะว่าใช่ไหม เขาจะประทุสล้ายเราอย่างไรก็ไม่เป็นไรแต่เราจะระวังใจของเราไม่ประทุสล้ายาตอบนี่อยอมรับด้วยปัญญาไหมบอกตา ต, ต่อตาฟันต่อฟัน<ม>เป็นไงอันนี้จำนวนไห ม, มจำนวนแล้วจำนวนต่ออะไรจำนวนต่อกิเลสพระจอมจำนวนต่อกิเลสไงใครมาด่าเล่าเล่าก็ด่ า, ดาตอบ ใครมาชอบเราอย่างตั้นหาแล้วก็ชอบตอบนี่เนี่ยอันนี้จะยำนนได้เหตุผลโดยโดยโด ย, ด ย, ดยตั้นห า, ากลับไปประเด็นก็อยู่ว่าเขาด่าแต่ละคำบาปจะให้ผลเขาทุกครั้งเราคิดว่าเมื่อเป็นนั่งอย่างนั้นแล้วจะแก้ไขเขาได้ไหมใ้สบายใจรก็คืออย่างงี้นะคืออย่างนี้นะ สบายใจหลังจากด่าเสร็จนั้นเป็นโลภะไอโลภะกับโทสะนะี่มันก็คือบาปทั้งคู่นั่นแหละนั่งยด่ า, ดาเราบาป้รจ๊ะประเด็นมันอยู่ว่าเรามีเจตนาอย่างไรเจตนาอยากให้เขาสบายไม่ใช่สบายใจแบบโลภะหรือสบายใจแบบกุศล แล้วเขาจะได้กุศลจริงไหมทั้งๆที่เขาไม่รู้จักกุศลเนี่ยเขาไม่ใหญ่เขายิ่งหนักเขาไปทุกขเดินเอาถ้า <ไป S 2> อย่างนั้น<า>ก็ควรจะเดินหนีไปตั้งนานแล้วไปให้ก็บาปมากทําไมเล่าใช่ไหมเล่าจริงอยู่เมื่อมันหนีไม่พ้นเนี่ยหนีไม่ได้เนี่ยยอมรับเงื่อนไขแต่วางระวังใจของตนเองระวังใจของตนเองบางทีเราหนีไม่ได้ก็ยอมรับเงื่อนไขแล้วก็ระวังตนเองใช่ไหมเล่า ระวังว่าเออเราจะไม่โกรธเขาตอบยังไงมันอะไรกิายิ้มแล้กคว้าไม้ยีเง่อนไลยย้ม่งหนแล้วที่เอานเกิแสดงว่าเราก็กลัวอ่าถึงไม้กลัวทีดาไม่กลัวออย่างนี้ก็เรียกอย่างนี้เ็เรียกมีเงื่อนไข อันนี้เขรียกยอมรับแบบมีเงื่อนไขไม่ใช่ปัญญาเพะประเด็นตรงนี้ก็คืออย่างนี้นะว่าเราสิ่งที่จะครสลดใจคือสิ่งที่เราได้โดนด่าเนี่ยมาจากวิบากรรมอกุศลกรรมของเราใช่ไหมสองที่เขากําลังด่าเขากําลังทําบาปอกุศลกรรมใหม่ น่าสลดสังเวชใจนาสังสารวัตรทำบาปมาในอดีตก็โดนเบียดเบีย น, นาาในปัจจุบันไอคนทำบาปในปัจจุบันมันจะไปเดือดร้อนในอนาคตถามบางคนไปเข้าใจเออเราจะชดใช้กรรมโดยการให้เขาด่าให้พอไอคิดแบบนี้ผิดผิดเพราะพุทธศาสนาไม่ใช่รัทิชดใช้กรรม แต่เป็นคําสอนที่สอนให้ปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัตินากรรมให้ถูกว่าเราควรจะปฏิบัติอย่างไรที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้อะไรที่ดีที่สุดใข้ควรด้วยญาณปัญญาแต่ในขณะเดียวกันใจของตน เ, เองต้องไม่หลุดจากภาระธนัตไตรแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็บาปอคติเหล่านั้นไปด้วยญาณปัญญาด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจถ้าอย่างนี้ชัด ไม่ได้คิดว่าเออเราเก่งแล้วเราจะให้เขาดา่าให้เพ่ออยากด่าว่าไปไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยแต่คิดรักษาตนเองแล้วทํายังไงให้คนคนนี้เขาไม่ได้บงังเพราะเกี่ยวข้องกับเราถ้ามีโอกาสก็บอกถ้ายกมือไหว้เขาก็ไหวขอโทษนะอย่าด่าเลยเราไม่ได้คิดปฏิสไล่คุณนะในชีวิตเกิดมาเราไม่เคยเบียดเบียนใครเราไม่เคยเบียดเบียนใคร ถ้าทำไม่พอสมควรแค่คิดเบียดเบียนเรายังไม่เคยคิดเลยอย่าว่าแต่เราจะไปด่าคนทุสร้ายคี่เลยขอให้คุณสงบขอให้คุณเยียบเบียนเธอคุณอยากจะทําอะไรคุยกันดีๆนะสะรุปแล้วตรงนี้ก็คือเวลาเราเล่าเรื่องนี้ต้องเล่าด้วยด้วยความสลบใจในะยนนะอย่าเล่าด้วยความเมามันและสนุกสนาน ม, มันเป็นสิ่งหน้าการลุนะเนอะว่าทําไมไปทําบาปอะไรมาขนาด น, ะนี้มีแต่คนดา่าคนทุบคุณตีขนาดนะั้นต้องสลบใจตัวเองนะ ต้องสรวดใจสังเวทตัวเองว่าเรานี่ไม่ใช่คนดีมาเลยแนอดีตเราถึงถูกเบียดเบียนอย่างนี้แสดงว่ากุศลและศีลในอดีตเราอ่อนแอมากฉะนั้นปัจจุบันนี่ศีลเราจะอ่อนแอไม่ได้เราจะต้องตั้งมนันในกุศลศีลถ้าอย่างนี้ชัดเขาเลยเข้าใจเหตุแล้วผมอย่าไปเอามาเล่าแล้วสนุกสนานคิดว่าอู้เป็นเรื่องที่ผ่านมาน่าเล่ามากเหมือนนักเลงโตอะนักเลงโตชอบเล่าอาดีตจนเองเก่งโหเล่าไปก็เมามันไปเล่าไปเสือกกลับไปนอนยิ้ม ชื่นจะให้ได้เล่าอาดีตความเก่งกาจพวกอง้ฟังที่จริงก็คือเป็นความผิดพลาดนะเข้าใจนะยอ น, นนะต้องต้องสลดใจแล้วว่าต่อไปข้าพเจ้าจะตั้งมั่นในกุรศลสีให้แข็งแรงกว่านี้นเบื่อเหลือเกินการแตกแยกเบื่อเหลือเกินถูกประทุษร้ายเบื่อเหลือเกินถูกตำหนิถูกดินท้าถูกว่าร้ายถูกไล่ถูกบางคนถูกตบถูกตีนะ โอ้เกิดมาโดนตบโดนตีแล้วก็โอ้ยไม่รู้ว่าอะไรนาะมันเกิดขึ้นกับเรา่างนี้เพราะตัวกุศลศีลต่ํานิ่จะศีลอ่อนแอมากคนเห็นเขาน่าจะชื่นชมเราใช่ไหมทําไมคนเห็นบางคนเขาลา้าเขาศรัทธาเขาเชื่อมัน่นเขาเลื่อมใสเขาเชื่อโอ้แสดงกุศลศีลของเขาแข็งแรงมากเขาเจริญกุศลเนี่ย คนบางคนเกิดมาไม่เคยเดือดร้อนได้ทราบเลยคนบางคนเกิดมาไม่เคยเดือดร้อนเรื่องเรื่องบุตรภรรยาญาติมิ ด, ดีทุกคนเลยโ mm hmm. อ้แสดงเห็นชัดว่ากุศลศีลกุศลทานเขาแข็งแรงมากปัญญาเขาก็ดีมากในอดีตสังสมมาอย่างนั้นเลยเราไม่ยอมท้อถอยไม่ยอมตัดจำนวนต่อชีวิตในปัจจุบันเราจะตั้งมั่นในกุศลจะเข้าถึงพระรัชนาตรจยห้ได้ ทังสารวัตรมีโทษอย่างเยอ น, นี่เข้าใจแล้วอันนี้ก็ไม่ทอ้อเอามาเล่าแต่ละครั้งสลดใจทุกครั้งถ้าเล่าแต่ละครั้งต้องสามารถตั้งมั่นในศีลทุกครั้งตั้งมั่นในทานบุญสนมากขึ้นมากขึ้นเออเล่าถธออย่างนั้นแหละแต่ถ้าเล่าไปเพลิดเพลินเฮเรื่องจบมาแล้วก็ไม่ได้มีศีลดีขึ้นไม่ได้มีสมาธิดีขึ้นไม่ได้มีปัญญาเลยอันนี้แปลว่าไม่ขาดเก้านะ แค่นั้นต้องขัดเกลาประเด็นก็ถือว่าบางทีเนี่ยรัดคำสอนพระเจ้าไม่ใช่รัฐทิ่ใช้กรรมนะเช่นมันมีบางที่มีความเข้าใจบอกว่าเออช่วงนี้เรารู้สึกเราทำอะไรก็ตกต่ำอยากก่างนั้นเลยเราไปปฏิบัติชดใช้กรรมจะได้เอโหสิกรรมกันไปพระเจ้า ก, ก็ไปถามบอกเออชาติแล้วเธอไปทำกรรมอะไรมา ตอบไม่ได้สิแต่เนี่ยเธอไปฆ่าเขามาใช่ไหมเงียบฆ่าตั้งแต่เมื่อไหร่ฆ่ามากี่คนเธอไปรักของเขามาใช่ไหมเงียบรักอะไรมาบ้างเธอไปประพฤติผิดในกรรมมาใช่ไหมเงียบอีกเธอไปพูดเท็จมาไปพูดส่อเสียดทำอย่าเพ้อเจอื่อไปโลภไปโกรธไปมัวเมาลุ่มหลงไปทําอกุศลกรรมบวชศีมาในชาติก่อนกับใครที่ไหนอย่างไรรู้ไหมไม่รู้เอาเมื่อไม่รู้ชดใช้กรรมอะไร จะใช้ให้ใครจะใช้ที่ไหนแล้วเมื่อไหร่จะหมดใช้ไปเท่าไร่เหลือเท่าไหร่ตอบไม่ได้สักข้อเลยพระเจ้าบอกนี่ไงคําสอนของตถาคตไม่ใช่ลทัทธิใช้กรรมแต่เป็นลทัทธิที่มีความรู้ความเข้าใจในกรรมและผลของกรรมเป็นคําสอนที่มีความรู้และความเข้าใจในกรรมและผลของกรรมเมื่อรู้เข้าใจในกรรมและผลของกรรม กป็ปฏิบัติปฏิบัติบาญกรรมให้ถูกเจริญกุศลกรรมให้ถูกยิ่งมีความเดือดร้อนมากเท่าไหร่ยิ่งตั้งมั่นในพราชนาไตรและไม่หวั่นไหวในการเจริญกุศลที่เป็นปัจจุบันให้ต่อเนื่องเพราะมั่นใจแล้วว่าเมื่อกุศลกรรมปัจจุบันให้ผลจะทําให้ตนเองนั้ น, เ, นเข้าถึงความสุขเข้าถึงความเจริญงอกงามไปบูรในปัจจุบันและในการต่อไปนี้เรื่อเข้าใจชัด ไม่คิดว่าเออตอนเองตอนนี้โอ้ตอนนี้ตนเองชะตาตกแล้วต้องไปปวดเจ็วันรักษาศีลชดใช้กรรมไม่เลยเพราะคำสอนเราจะไม่ปฏิบัติผิดจากพุทธโอวาทอีกแล้วเข้าใจยังเด่๋ยเนี้ทีนี้ก็ชัดเลยพอจะเข้าใจยังยงอ้าวต่อไปใครคิดอยากจะไปชดใช้กรรมนะรู้ว่ามันได้ผลขึ้นทีนี้ คือมันอย่างนี้หนึ่งความเข้าใจเนี่ยมันผิดแต่พอไปทําความดีเนี่ยปัจจุบันกรรมเนี่ยมันถูกบ้างผิดบ้างไอ้ตัวปัจจุบันกรรมที่เป็นกุศลกรรมก็เลยรักษากระแสชีวิตทําให้สิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนเราก็เลยไปเข้าใจว่าทําอย่างนี้มันถูกมันก็ทั้งประเทศก็เป็นแบบนี้แหละก็ขอไปส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้แหละเช่นว่าเราจะบนเจ็ดวันไปบวชกลับมารู้สึกสถานการณ์มันดีขึ้นเพราะศรัทธาไง เจ้ากุศลที่ทําไงเลยมาเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดแล้อมรู้สึกมันดีขึ้นแต่นั้นนเป็นความเศร้าหมองในการถือใจสันนคมเพราะยังไม่แข็งแรงเพราะยังไม่ถูกต้องเราก็ทํามันแข็งแรงมันไม่ถูกต้องไลยดีไหมเมื่อเรารู้ความจริงของกระแสชีวิตแล้วว่าการถึงใจสันนคมที่แข็งแรงที่ถูกต้องที่มีญาณปัญญาเข้าประกอบมันจะทําให้เราชัดเจนมากขึ้นและจะได้เป็นปัจจัยต่อาการพ้นจากวัฏจทุกข์ได้จริงดีไม่ดี ใน ต, ตรงนี้ก็ขอหมดอาณาสำหรับเรานะตั้งใจต้องนั่งสงบกันดูสักหน่อยที่สมาธิจะตั้งมั่นขึ้นมาลองดูที่ลองตั้งใจให้สมงบนะเอาตั้งใจที่ว่าตอนนี้ฟังพระธรรมแล้วสมาธิเพิ่มขึ้นไหมลองดูที่ความตั้งมั่นในวันไหวถ้าจัดความฟุ้งซ่านในใจออกได้หมด แล้มีความตั้งมั่นในสถาณคมแข็งแรงขึ้นแล้วสมาทานในใจแล้วต่อไปข้าพเจ้าจัะเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาซึ่งเป็นจะไม่เป็นอุบาสกอุบาสิกาจันทานอีกแล้วจะไม่เป็นอุบาสกอุบาสิกาแก่บอีกแล้วแต่จะเป็นอุบาสกและอุบาสิกาแก้วแก้วในที่นั้นคือรัตนะอันประณี เราจะเข้าถึงความเป็นอุบาสกอุบาสิกาซึ่งเข้าถึงรัตนะอันเปรื่องให้ได้เราจะไม่เป็นอุบาสกบาสิกาจันทานยากจนยากจนในไหนในศีลดูในกระแสชีวิตศีลก็ไม่มีพระรัตนะไตรก็ไม่มีสมาธิปัญญาก็ไม่มีอันนี้แปลว่าเป็นอุบาสกยากจนอุบาสิกายากจนเป็นจันทาน ขอทานนะคนจนก็ขอทานขอทานในที่นั้นก็คือว่าอุ้ยพอลมใหายใจขาดที่นั้นน่ะชีวิตก็ลำบากยาวเลยอ่ะอุ้ไม่เอาแล้วต่อไปเราจะไม่เป็นอุบาสกจันทานอุบาสิกาจันทานจะไม่เป็นอุบาสกแแบอุบาสิกาแกบแต่เราจะเป็นอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วแก้วในชี่นั้นคือรัตนะอันประเสริฐเป็นหนึ่งในแก้วสามประการก็คือเป็นสังขารัตนะไง เราจะได้เป็นแก้วอันประเสริฐตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าสมาทานทุกวันตั้งใจทุกวันและไม่ถอนความตั้งใจสองดูที่สมาธิตั้งมั่นไม่ถ้าฉันทะมีกำลังฉันทะจะเป็นปัจจัยเกิสมาธิความเพียรพยายามก็จะเกิดขึ้นถ้าวิริยะ มีความบากบั่นในการประครับประคองใจดีก็จะเป็นปัจจัยต่อสมาธิที่ตั้งมั่นถ้าจิตตะเอาจิตจดจ่อในคุณของพระรัตนตรัยได้อย่างมั่นคงก็จะเป็นปัจจัยเกิดสมาธิที่ตั้งมั่นถ้าปัญญาสอบสวนเหตุและผลความยิ่งและความหย่อนของสภาพจิตใจก็จะเป็นปัจจัยเกิดสมาธิที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคและอันตรายใดๆ ท, ทั้งหลายที่จะมาเบียนเบียนกระแสชีวิต ฉันเขียนดูนะ